بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط الخامس ويحتوي على سورتي الاعراف والانفال نبدا بالاعراف بوت الاعراف بن بوت مكيه มีความยาวถึง 206 องการถือเป็นบทแรกที่ได้เล่าประวัติ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 ดังนั้นมนุษย์จึงจําเป็นต้องยึดเอาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกเหตุที่เขาออกจากสวรรค์ลงมาสู่โลกนี้โดยได้ฉายภาพให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมหรือระหว่างความดีกับความชั่ว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 เพราะเพราะว่าได้มีการกล่าวถึงกำแพงที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกซึ่งกำแพงนั้นเรียกว่าอัลอะรอฟ์นั่นเองอิบนุยูเรดได้รายงานจากกุไซฟะห์ว่ามีผู้ถามท่านนบีถึงผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นท่านตอบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความดีความชั่วผอผอกันความชั่วจึงทําให้เขาไม่ได้เข้าสวรรค์และความดีก็ทําให้เขาไม่ได้เข้านรกพวกเขาจึงต้องไปอยู่บนกำแพงที่กั้นระหว่าง ah 2 แดนนั้น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 صَادْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي جَبَاب 1 سึ้ง ถูกประทานลงมาแก่เจ้าดังนั้นจงอย่าให้ความอึดอัดเนื่องจากคัมภีร์นั้นมีอยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งนี้พระเจ้าจะได้ใช้คัมภีร์นั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจ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 แท้จริงพวกเราเป็นผู้อธรรมเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนทูตถูกส่งไปยังพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสนทูตทั้งหลายด้วยแท้จริงเราได้กล่าวแก่พวกเขาด้วยความรู้และเราไม่ได้หลงผิด แน่นอนเราจะนําความรู้มาเล่าให้พวกเขาฟังและเราไม่เคยหายไปไหนเลยวัลวะซนูยามาอิดิลฮักฟะมันตะกุลัตมวาซีนุฮูฟอูลายกะฮุมุลมุฟลิฮูนและการชั่งในวันนั้นเป็นความจริงดังนั้นที่ผู้ใดตราชูของพวกเขาหนัก ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะรับความสําเร็จว่ามันคับมะวซีนุฟาอลาอิกัลลาดีนคอซิรอนฟุซุมฟาอลาอิกัลลาดีนคอซิรอนฟุซุมบิมากานูบิอายาตินายัซลิมูนและคนใดที่ตราฉู่ของเขาเบา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 ซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในแผ่นดินนั้นส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณวะลากัดคอเรานากุมทุมมะซอวนากุมทุมมะกุลนาลิลมาลาอิกะติสญูดูลีอาดัมฟะซะญะดูฟะซะญะดูอิลลาอิบลิสลัมยะกุมมินัสซาญิดีนละแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้า แล้วเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างขึ้นแล้วเราได้กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์ว่าจงคารวะแก่อาดัมเถิดแล้วพวกเขาก็คารวะกันนอกจากอิบลิสเท่านั้นที่มันไม่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้คารวะกาลานามะนะอะกะอัลลาตัสญุดอิซอัมมัรตุกาลอานะค็อยรุมมินฮูค็อลักตุนีมินนารวะค็อลักตุฮูมินตีน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 จงออกไปให้พลแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ต่ําต้อยกอลออดรนีอิลายอมยุบะอ์ตุลมันกล่าวว่าโปรดผ่อนผันให้แก่ฉันจนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเถิดออลออินนะกะมินัลมุนซอรินพรหมตัดว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกผันผัน قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم الذين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين لو كانت تمى عنهم من امامهم ومن خلفهم ومن يمينهم ومن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين เป็นผู้ขอบคุณ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ พระองค์ตรัสว่าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ถูกติเตียนและถูกขับไล่ข้าสาบานว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้า ข้าจะบัญจุทั้งหมดให้เต็มนรกยานนําทั้งจากพวกเจ้าวะอะดะมุสคุอันตะวะซอจุกัลญันนะตะฟะกุลามินไฮตุชิอตุมาวะลาตะกัรบาฮาซิฮิชชะญะเราะตะฟะตะกูนามินอัซซอลิมีนและพระองค์ตรัสว่าโอ้อาดัมเอ๋ยทั้งเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิด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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين لا الشيطان قد كرسب كرساب แกทั้ง 2 นั้นเพื่อที่จะทําให้ทั้ง 2 เผยสิ่งที่ถูกปิดบังแกเขาทั้ง 2 ไว้อันได้แก่สิ่งอันพึงละอายของเขาทั้ง 2 แล้วมันได้กล่าวว่า พวกเจ้าของเจ้าทั้งสองมิได้ห้ามเจ้าทั้งสองจากต้นไม้นี้เพราะอื่นใดนอกจากการที่เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นมาลาอิกะห์หรือไม่ก็กลายเป็นผู้ย่างยืนตลอดกาลวะกอซมะฮูมาอินนีละฮูมามินัลนะซิฮีนและมันได้สาบานแก่ทั้งสองนั้นว่าแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่แนะนําเจ้าทั้งสองตะดัลลาฮูมาบิฆุรุ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 ข้ามิได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นั้นหรอกหรือข้ามิได้กล่าวแก่เจ้าทั้งสองดอกหรอกว่าแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูอันชัดแจ้งของเจ้าทั้งสองออลารบะนาฎอลลนาอันฟุสนาวะอินลัมตัฆฟิรละนาวะตัรฮัมนาละนากูนันมินัลคอซิรินก็ทั้งสองได้กล่าวว่า โอพระผู้อภิบาลของพวกเราพวกเราได้อาทำแก่ตัวของพวกเราเองและถ้าพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนตะละฮ์บีตูบาซุฮุมลิบาซินอดูวะละกุมฟิลอัรฎิมุสตะกัรฺวะมะตาอฺอิลฮีนพระองค์ตรัสว่า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 وَلَجَاعَ فَالدِنّ نَنَلَ لِتْ فُوكْ جَاوْ جَتُهُ كْ مَأِكْ يَا ذَلِ اَدَم قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَيْنِ وَارِسَاؤَتِكُمْ وَرِيشَا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ โอลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มแห่งความสวยงามและเครื่องนุ่งห่มแห่งความยินเกล็งนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาองค์การของอัลเลาะห์เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้ระลึก يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما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 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون لما هم ارتكبوا شيء من القبيح พวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราเคยกระทํามาแล้วและอัลเลาะห์ก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทํามันด้วยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงใช้ให้กระทําสิ่งที่น่ารังเกียจดอกพวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรือกุลอัมะระร็อบบีบิลกิสฏอ